มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมนูลหมวดที่6ภิกษุจงใจพยายามน้ำอสกิสีเหมือนนมสดและสีเหมือนนมส้มน้ำอสกิสีเหมือนนมสดและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามน้ำอสกิสีเหมือนนมสดและสีเขียวน้ำอสกิสีเหมือนนมสดและสีเหลือง น้ำอสจิสีเหมือนนมสดและสีแดงน้ำอสจิสีเหมือนนมสดและสีขาวน้ำอสจิสีเหมือนนมสดและสีเหมือนเปลี่ยนน้ำอสจิสีเหมือนนมสดและสีเหมือนน้ำท่าภิกษุจงใจพยายามน้ำอสจิสีเหมือนนมสดและสีเหมือนน้ำมันเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษ